ภิกษุณีทุลันันธาโดยประการต่างๆแล้วทรงแสดงธรรมีกถาแก่ภิกษุทั้งหลายให้เหมาะสมให้คล้อยตามกับเรื่องนั้นรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วภิกษุณีทุลันันธาเคยเป็นภ ร, รยาของพรามณ์คนหนึ่งมีธิดาสามคนชื่อนันธานันทวดีสุนทรีนันธาภิกษุทั้งหลาย ต่อมาพราหมณ์นั้นตายไปเกิดเป็นหงส์ตัวหนึ่งมีข น, นเป็นทองคําล้วนหงส์นั้นมาสลัดขนทองคําให้แก่ทิดาเหล่านั้นคนละคนต่อมาภิกษุณีทุลนันทาคิดว่าหงส์ตัวนี้สลัดขนให้พวกเราคนละคนเท่านั้นจึงจับพญาหงส์ถอนขนจนหมดแต่คนที่งอกขึ้นใหม่กลายเป็นสีขาวในครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันทาเสื่อมจากทองคําเพราะความโลภเกิดไป บรนี้ก็เสื่อมจากกระเทียมได้สิ่งใดควรพอใจสิ่งนั้นความโลภเกินไปเป็นความชั่วร้ายเหมือนทุลนันธาจับพญางหงูแล้วเสื่อมจากทองทีนั้นพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิภิกษุณีทุลนันธาโดยประการต่างๆแล้วรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสีขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้